รู้เฉพาะตนโดยดังตรินตอนที่36รู้ดีกว่าพระพุท ธ, ธเจ้าได้ไหมกรณีเฉพาะตนของเจเจอาชีพเจ้าของโปรดักชั่นเฮาส์เล็กๆลักษณะงานที่ทำบริหารจัดการดูแลงบประมาณถ่ายทำเขียนสคริปต์ควบคุมการตัดต่อ ถามแรกเคยทำสมาธิแต่รู้สึกว่ายังทุกขอยู่มากฟุ้งซ่านบ่อยบางครั้งถึงขั้นเป็นไมเกรนจึงเปลี่ยนมาตามดูกายใจแทนรู้สึกว่าดีขึ้นทุกน้อยลงมีสติมากขึ้นแต่ก็ยังเป็นทุกข์อยู่กับความยึดติดอะไรคนที่เขาไม่อะไรเราจะแก้ไขให้หายขาดได้ยังไง ถ้าคุณตัดอะไรได้ชนิดหายขาดก็แปลว่าเป็นพระอรหันต์แล้วครับมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายยังติดอยู่กับโลกไม่อาจหลุดพ้นไปได้ก็เพราะยังอาลัยสัมผัสทางกรรมมคุณหรืออย่างดีที่สุดก็อาลัยในรถทางสมาธิจิตชั้นสูงสรุปโดยรวมก็คือที่เรายัางทุกข์ก็เพราะอาลัยสุขอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่นั่นเองนิพพานได้ชื่อว่าอนาลายัย เพราะจิตของผู้ถึงนิพพานหมดความอาลัยแล้วจึงบรรลุแจ้งว่ายังมีบรมสุขที่แท้จริงอยู่และบรมสุขนั้นพ้นไปจากทุกรสที่เราเคยรู้จักสมดังที่พระบรมศาสดาตรัสว่าเป็นรสอันเหนือรสทั้งปวงถ้าตัดขาดความอาลัยว่ากายใจเป็นตัวตนได้เรียกว่าโสดาบันและถ้าตัดความอาลัยว่ามีตัวเราได้เด็ดขาด ก็เรียกว่าเป็นอารหันต์ความแตกต่างระหว่างสองระดับนี้ก็คือแม้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบาันแล้วในคำพีก็ยังมีบันทึกไว้ว่าอาจร้องไห้อลไยหลานสุดที่รักได้จะมีก็แต่พระอารหันต์เท่านั้นที่ขนาดพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นยิ่งกว่าพ่อดับขันทบริณิพานก็ไม่ทุกร้อนกับสภาพธรรมที่แตกดับเป็นธรรมดานอกจากจะไม่ร้องไห้แล้ว จิตยังผ่องแพ้วพิสุทธิ์เหนือมนุษย์และเทวดาคงเส้นคงวาดังเดิมฉะนั้นถ้าคุณยังรู้ตัวว่าไม่ใช่พระอระหันต์ก็อย่าไปคาดหวังให้ตัวเองตัดอะไรได้เด็ดขาดเลยครับถึงไม่ใช่เขาคนนั้นก็ต้องเป็นคนอื่นหรือสิ่งอื่นอยู่ดีเขาคนนั้นแค่เป็นเหยื่อล่อให้ยึดติดชิ้นล่าสุดแต่ก็อาจเป็นเหยื่อล่อที่มีค่ายิ่งเพราะเขาจากไปในขณะที่คุณจเจริญสติอยู่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 หมดความยึดติดและเป็นสุขเต็มอิ่มอย่างสมบูรณ์ไปเองในช่วงที่ยังเศร้ายัางอะไรยังเป็นทุกข์อยู่มากก็ให้พิจารณาว่านี่เป็นเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของกายเพราะฉะนั้นก็หมั่นเน้นดูใจให้มากเศร้าก็ให้รู้ว่าเศร้าอะไรก็ให้รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อยู่มากก็ให้รู้ว่าเป็นทุกข์อยู่มากไม่หายขาดก็รู้ว่าไม่หายขาด จะกี่เดือนกี่ปีทุกภาวะก็มีประโยชน์ทั้งนั้นขออย่างเดียวคือรู้ภาวะนั้นให้ได้ทันการสดๆขณะเกิดขึ้นเถอะอาการทางจิตของคนเพิ่งเสียความรักเนี่ยนะครับจะคล้ายกันหมดคืออยู่ในสภาพเหมือนจมน้ำนึกออกไหมถ้าเราหัวใจพองฟูเรารู้สึกเบาๆลอยๆจนเกิดมโนภาพคล้ายปลิดปลิวขึ้นไปในอากาศ แต่ถ้าหัวใจเราแฟบฟุบจะรู้สึกหนักๆจมๆ จ, จนเกิดมโนภาพคล้ายจมน้ำนั่นเองถ้าจับจุดสังเกตไว้อย่างนี้เห็นถนัดเห็นชัดทุกครั้งที่เริ่มเกิดอาการจมคุณจะเปลี่ยนจากปล่อยตัวให้จมแบบเลยตามเลยมาเป็นสนุกกับการเห็นอาการจมไม่จริงคือเกิดภาวะคล้ายทำท่าจะจมครู่หนึ่งสั้นๆแล้วเปลี่ยนเป็นมีสติลอยตัวโผล่ขึ้นพ้นน้า ยิ่งฝึกดูบ่อยเท่าไรก็จะยิ่งเห็นชัดขึ้นเท่านั้นถ้าไม่ฝึกแต่กลับปล่อยใจให้ถลำลึกก็จะเกิดอาการตามใจตนเองร่ำไปเช่นอยากเห็นหน้าเขาก็เดินเฉียดไปใกล้อยากพูดคุยกับเขาก็อ้างเรื่องงานแบบนี้ก็ต้องบอกตัวเองนะครับว่าคงไม่ต่างจากคนติดเหล้าอุตสาห์เข้าคอสเอาชนะโรคพิษสุราเรื้อรังจนสาเร็จแล้ว ก็ยังอุตส่าห์สมัครใจเดินไปซื้อมากินอีกคำถามที่สองเพื่อนๆและพี่ๆของดิฉันพากันไปปฏิบัติธรรมกับสำนักหนึ่งซึ่งเน้นบริจาคเน้นสร้างสมาธินิมิตหลอกแรกๆดิฉันไปด้วยก็พอรับได้แต่หลังๆเขาพยายามบอกว่าครูบาอาจารย์ของเขาตรัสรู้ธรรมได้ลึกซึ้งกว่าพระพุทธเจ้า และไม่สอนให้ไปนิพพานแต่จะสอนให้อธิษฐานไปถึงที่สุดแห่งธรรมกับทั้งสำทับว่าหากทาบุญกับครูบาอาจารย์ของเขาจะได้บุญมากกว่าทาบุญกับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์รวมกันจึงควรทุ่มให้สุดตัวคำสอนเหล่านั้นเป็นจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงจะบอกเพื่อนๆพี่ๆ อ, อย่างไรดีขอตอบเป็นกลางๆนะครับ ปัจจุบันมีเจ้าสํานักหลายแห่งที่อ้างอย่างเนี้ยและพระพุทธเจ้าท่านสิ้นพระชนเป็นนานหลายพันปีแล้วคงลุกขึ้นมาพิสูจน์ให้เห็นดำเห็นแดงกับเจ้าลัทธิรุ่นหลังไม่ได้เพราะพวกเราก็ได้แต่ถือเอาตัวแทนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักในการตั้งสติว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเขาดีการเป็นพระพุทธเจ้านั้นมีความหมายว่ารู้ทางพ้นทุกทางใจแล้ว และตอบคำถามได้ทุกเรื่องอย่างถูกต้องหมดจดไม่ว่าจะเป็นความจริงที่เกี่ยวกับคนโลกจักรวาลอดีตอนาคตและอื่นๆหลักฐานมีอยู่ในพระคัมภีร์คือพระพุทธเจ้าท่านตรัสตอบคำถามได้ตรงตามจริงวิทยาการปัจจุบันก็ช่วยยืนยันได้เช่นกำเนิดของมนุษย์ขณะอยู่ในคันมารดาท่านสาธยายในแต่ละระยะของตัวอ่อนว่า เป็นอย่างไรได้ยิ่งกว่าใชออันตราสาวตรวจสอีกฉะนั้นถ้าใครอ้างว่าตรัสรู้ได้ลึกซึ้งกว่าพระพุทธเจ้าก็ลองสังเกตเป็นนานๆว่าเขาหมดกิเลสหมดทุกข์หมดร้อนแล้วหรือยังธรรมดาคนที่อ้างว่าหมดกิเลสหมดทุกข์แล้วนี่นะครับถ้าเป็นของเก๋เดี๋ยวจะมีเรื่องบีบให้สัมดงกิเลสสแดงอาการเป็นทุกข์สาหัสออกมาเองและถ้าเขาอ้างว่าเขารู้มากกว่าพระพุทธเจ้า ก็ลองกล้าๆถามหน่อยถามตั้งแต่เงินในกระเป๋าหนูมีอยู่เท่าไรไปจนกระทั่งเรื่องลึกซึ้งระดับอะตอมและดวงดาวถ้าเขาตอบถูกอย่างมากก็เก่งได้แค่เท่าพระพุทธเจ้าไม่มีทางที่จะเหนือไปกว่านั้นความเชื่ออันเกิดจากการคล้อยตามกันของคนหมู่ใหญ่เป็นอะไรที่แก้ยากครับลำพังคุณคนเดียวถ้าจะงัดข้อกับเพื่อนๆและพี่ๆแล้ว ก็อาจเหมือนไม้ซีกพยายามไปงัดไม้สูงค่อยๆพูดในส่วนที่ถูกค่อยๆพูดในส่วนที่เราทําได้ดีแล้วประจักษ์ผลแล้วให้พวกเขาฟังทีละคนอย่าพูดทีเดียวกับทั้งกลุ่มถ้าเขาฟังก็ดีไปจะได้หลุดจากความเชื่อเพียเพ้ยนๆไม่ต้องก่อมโนทุจริตกับบุคคลระดับพระพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่ฟังก็ต้องคิดว่าเป็นกรรมที่เขาทํามาร่วมกัน เรามีหน้าที่เพียงเข้าใจเหตุและผลของกรรมด้วยใจที่เป็นกลางวางเฉยครับ